3. ก่อนที่จะรู้กายต้องแยกรูปนามให้ได้เสียก่อนวงเล็บเปิด2 2ตุลาคม2549จุดจุดนาที56วงเล็บปิดถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวก็รู้ลมหายใจเดี๋ยวก็รู้ท้องแล้วไม่รู้ว่าจะรู้ตรงไหนดีก็ให้รู้ตรงนี้สิรู้ว่าจิตไปรู้ลมหายใจรู้ว่าจิตนี้ไปรู้ท้องรู้ว่าจิตนี้ไปคิดเห็นไหมรู้ที่เดียวคือที่จิต นอกนั้นเป็นแค่อาการเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้รู้อย่างนี้เรื่อยๆส่วนเดินจงกรมพ่อแม่พาเดินมาอย่างไรก็เดินอย่างนั้นแหละอย่างบางคนพยายามเดินให้ช้ามากๆนะหวังว่าช้าแล้วสติจะทันไม่ทันหรอกถึงเราเดินช้าแต่กิลเลสไม่ช้าด้วยนะหน้าที่เราไม่ใช่ไปนหน่งอารมณ์ให้ช้าลง หน้าที่ของเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นให้เร็วมากขึ้นมากขึ้นจนใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยแต่ว่าเบื้องต้นคนไหนถนัดเดินช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความถนัดนะบางคนเดินช้าๆแล้วสบายใจก็เดินช้าๆไปแต่เดินช้าๆแล้วอยากไปเพ่งอยู่ที่เท้าถ้าเดินช้าๆแล้วไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็ได้สมถะถ้าเดินช้าๆแล้วเราเห็นร่างกายมันเดินมีใจเป็นคนดู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 เพ่งคือใจมันไหลไปรวมอยู่ในกายหน้าที่ของเราก่อนที่จะรู้กายได้ต้องแยกกายกับจิตออกจากกันเสียก่อนแยกรูปกับนามให้ได้เสียก่อนเรียกนามรูปปริเฉทยานร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูต้องแยกอย่างนี้นะแล้วจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เดินเอาใจแนบอยู่ที่กายนะนั่นคือการเพ่งกายเดินไปมากๆเกิดปิติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโต เราไป น, นึกว่าเป็นวิปาาัสนาญาณนั่นไม่ใช่ญาณ น, นั่นเป็นอาการของสมถะอาการของปิติฉะนั้นใจต้องตั้งมั่นอยู่ตังหากเห็นกายนี้เดินไปอย่างนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นการดูกายนี้จิตต้องตั้งมั่นกา ย, ยานุปัสนาถึงเหมาะกับคนเล่นฌานเหมาะกับสมถายา น, นิกไม่ใช่เหมาะกับคนที่จิตไม่มีกาลังการดูกายดูยากนะถ้าจิตไม่มีกาลังของสมาธิหนุนหลังจิตจะไหลเข้าไปรวมกับกาย ส่วนจิตนี้ดูง่ายเราชอบคิดว่าจิตดูยากให้เราคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเด็กมันก็รู้นะแต่ละวันความรู้สึกเป็นอย่างไรเด็กๆมันก็รู้